แนะนำบทอับดุฮาบทอับดุฮาเป็นบทมักกิยาะมีสิบเอองค์การบทได้เริ่มด้วยการสาบานต่อความประเสริฐของทัลลอซูลลอละเวเลวัลลัมเพราะว่าพระเจ้าของท่านไม่ได้ทอดทิ้งและไม่ได้โกรธเคืองท่านตามที่พวกมุชริกีนกล่าวอ้างแต่ประการใดสำหรับท่านณนที่อัลลอฮ์นั้นมีตำแหน่งสูงและมีสถานะอันยิ่งใหญ่และบทได้แจ้งข่าวดีแก่ท่านถึงการประทานให้อย่างมากมายในโลกอาคิร์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 ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ว, ดดวอขอสาบานด้วยเวลาสายและด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันมืดมว ด, ดรวมพระผู้วิบาลของเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าและไม่ได้โกรธเคืองเจ้า และแน่นอนบ้านปลายเป็นการดียิ่งแก่เจ้ากว่าเบื้องต้นและแน่นอนพระผู้วิบาลของเจ้าจะให้แก่เจ้าแล้วเจ้าก็จะพอใ จ, อจพระองค์ไม่ได้ทรงพบเจ้าเป็นกัมพร้าแล้วสรงให้ที่พึ่งดอกหรือวพระองค์ และทรงพบเจ้าพระเหเร่ร่อนแล้วก็ชี้ทางนำแก่เจ้าใช่ไหมและทรงพบเจ้าเป็นผู้ขาดสนและให้ความมั่งคั่งแก่เจ้าใช่ไหมดังนั้นสำหรับเด็กกำพร้าเจ้าจงอยากข่มเหงและส่วนผู้เอ่ยขอนั้น เจ้าจงยาตาวาัดขับไล่และส่วนความโปรดปรานแห่งพระผู้วิบาลของเจ้านั้นเจ้าจงแสดงออก